ผู้อยู่ใกล้นิพพานในกรณีของผู้อยู่ใกล้นิพพานพระตถาคตก็ได้สอนในเรื่องของการบริบูรณ์ด้วยศีลซึ่งในตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของภิกษุแต่จริงๆแล้วในความเป็นคลาวาต์เราก็นำไปเทียบเคียงและประพฤติปฏิบัติได้เช่นภิกษุเป็นผู้ สมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยปฏิโมกแล้วก็อภิสมาจาร์ส่วนเราความเป็นฆราวาสนั้นเพราะตถาคตบอกว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือการมีศีลห้าหรือมีศีลอุเบศตเพราะฉะนั้นฆราวาสอย่างเราสมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยศีลห้าเป็นอย่างต่ําเพราะศีลห้าเป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันแล้ว ถ้าเรามีสินห้าบริบูรณ์นั่นก็เรียกว่าเราได้คุณธรรมส่วนหนึ่งของความเป็นพระโสดบันแล้วส่วนการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคารวาดนั้นไม่เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสปฐพิภัธรรมรมมันตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือมีจิตรู้ลมหายใจหรือมีจิตรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรบ หรือการทํางานในปัจจุบันเท่านี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์แล้วความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะตรงนี้เราก็นํามาใช้ได้ในความเป็นค า, ารวาสในการกินอาหารทุกครั้งให้เรารู้จักประมาณทานแต่พอดีความพอดีเป็นอย่างไรพระองค์บอกไว้อีกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อย นี่ก็คือลักษณะของความที่เรากินพอดีส่วนชาค a ร y ยธรรมคือการขยันปาราบความเพียรก็ให้เรารู้ว่าตัวภิกษุนั้นเนี่ยต้องปาราบความเพียรตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งถึงเวลานอนแล้วตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงอรุณใหม่ขึ้นนั่นก็คือเป็นการแสดงให้เราเห็นว่า ในความเป็นฆราวาสของเราเนี่ยไม่ควรละเลยการปารัความเพียรควรที่จะขยันปรัความเพียรเหมือนกับที่พระองค์เปรียบเหมือนกับแม่ค้าขายของเราจะต้องทำสมาธิวันละสามเวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากลางวันและเย็นเปรียบเหมือนแม่ค้าที่รีบที่จะเตรียมของเพื่อไปขายกลางวันก็รีบๆขาย กลางคืนก็รีบๆเก็บของในลักษณะเดียวกันก็ให้เราทำสมาธิทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นนี่คือลักษณะของชาคุริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะหมวดนี้ก็สามารถนำไปประยุกใช้กับความเป็นกะลาวาตของเราได้ผู้อยู่ใกล้นิพพานภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างแล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวธรรมสี่อย่างอะไรบ้างเล่าธรรมสี่อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองในทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคลียธรรมอยู่เนืองเนือง ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสํารวมด้วยปาติโมกขสังวรมีมรฑาและโครจรสมบูรณ์อยู่เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโพธิภพด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณด้วยใจแล้ว ก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนต์มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวม ตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหาร ไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ ความไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลส ท, ที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสาเร็จการนอนอย่างราชสีตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้น แล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลส ท, ที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาครียธรรมอยู่เหนื่งนิดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมได้ทำสียอย่างเหล่านี้แล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพาน อย่างเดียวแลลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอา n น n อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานน n ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ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 ยังคงเหลืออยู่อานนท์น้แลเราเรียกว่าอินทร์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินยัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุ